สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยสามสิบห้าอิสราเอลหกซึ่งถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่พวกเราพี่น้องผู้รับใช้ในสภากิดจักนะครับอยู่ในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาในโครงการตามรอยพระบาทพระเยซูครับในเช้าวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสเดินตามถนน แห่งไม้ทังเขียนครับที่เรียกว่าวิลโดลูซาเป็นเส้นทางที่พระเยซูได้เดินไปนะครับในครั้งแรกนั้นพระเยซูแบกกังเขนแต่ว่าเนื่องจากพระองค์ทรงเพียรพรงถูกเกีียนพระองค์ทรงรับความเจ็บปวดทุกทรมานครับพวกเขาก็ได้เกณี่ยนคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าซีโมนชาวไซรี องค์ผีได้บันทึกถึงสีมูลชาวซรีนในพระธรรมลูกาบทที่23ข้อที่26ครับเมื่อเขาพาพระองค์ออกไปเขาเกณฑ์สีมูลชาวซรีนที่มาจากบ้านนอกและเอากังเขนวานมงเขาให้แบกตามพระเยซูไปมีคนเป็นมากตามพระองค์ไปทั้งพวกผู้หญิงที่พิราบและข้ามวนเพราะพระองค์พระเยซูจึงหันพักๆมาทางเขาตรัสว่าทิดาของเยรูเสมเอ๋ย อย่าร้องไห้สงสารเราเลยแต่จงร้องไห้สงสารตนเองและสงสารลูกทั้งหลายของตนเถิดเดีว๋ยว่าดูเถิดจะมีเวลาหนึ่งที่เขาทั้งหลายจะว่าผู้หญิงเหล่านั้นที่เป็นหมันและคันที่ไม่ได้ปฏิสนและหัวนมที่ไม่ได้ให้ดูดเลยก็ เ, เป็นสุขพรานนั้นเขาจะเริ่มว่าแก่พูกเขาทั้งหลายว่าจงพังลงทับเราและแก่เนินเขาว่าจงกุมเราไว้ เพะว่าถ้าเขาทําอย่างนี้เมื่อไม้สดอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไม้แห้งแล้วมีสองคนที่เป็นผู้ร้ายซึ่งเขาได้พามาจะฆ่าเสียพร้อมกับโรงเมื่อมาถึงตําบลหนึ่งที่เรียกว่าตลกสีสัสเขาจึงตรึงโรงไว้ที่กางเขนที่นั่นพร้อมกับผู้ร้ายสองคนนั้นข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่งฝ่ายพระเยซูจึงทรงอธิษฐานว่าโอ้พระวิดาเจ้าข้า ขอโปรดอาภัยโทษเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรเขาก็เอาฉลองพระองค์จับฉลากแบ่งปันกันคนทั้งปวงก็ยืนมองดูพวกขุนนางก็ยเยาะเย้ยพระองค์ด้วยว่าเขาช่วยคนอื่นให้รอดได้ถ้าเขาเป็นพระคลิกของพระเจ้าที่สูงสุดไว้ให้เขาช่วยตัวเองเถิดพวกทหารก็เยอะแยะพระองค์ด้วยเข้ามาเอาเล่าอันหนุนเปรี้ยวส่งให้พระองค์แล้วว่าถ้าท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิว จงช่วยตัวเอให้รอดเถิดและมีคํำขีนไว้เหนือพระองค์ว่าผู้ที่เป็นกษัตริย์ของพวกยุทธพี่น้องครับมีหลายประเด็นที่ผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในเช้าวันนี้เมื่อเราไปได้มีโอกาสไปดูสถานที่ที่พระเยซูถูกตึงบนไม้ขีนมีสองสถานที่ครับสถานที่ที่ฆ่า ก, กันหรือชนิษฐานกันมีสองสถานที่สถานที่แรกก็คือ church of the holy superchurch church of the holy s u p e r c u r ปัจจุบันนั้นเป็นโบสถ์ของอพวกแคทอลิกครับพวกออร์โธดอกซ์นะครับแล้วก็มีโบสถ์ของพวกคอิติกชร์ก็คือโบสถ์ที่เกี่ยวข้องกับสมัยฟิลิปนะครับที่ไปตักาากับขันทีชาวเอธิโอเปีย พวกเขานั้นก็เป็นบรรพชนเป็นต้นกำเนิดของขอบิชซึ่งเป็นโบสถ์ในแอฟริกาครับก็คือในเอธิโอเปียเองพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองทำให้เราเห็นว่าขณะที่พวกครูเศษนั้นได้มารื้อฟื้นได้มาก่อสร้างหลังจากนั้นก็ตกอยู่ในสมัยของพวกออตโตมันนะครับก็มี การครอบครองสถานที่แห่งนี้มานะครับเปลี่ยนมือมาเรื่อยๆมาจนกระทั่งถึงศตรวตรรษที่สิบเก้าครับเมื่อเริ่มมีนิกายต่างๆนั่นเข้ามาและเขารู้ครับว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อระลึกถึงการขึ้นประชุบของปียสูพวกเขาก็ไขมือยาวสาวได้จากเอาครับนิกายไหนที่มีเส่นนี้สายนิกายไหนที่มีเงินทองครับ เขาก็ได้ตรงที่ดีที่สุดไปนีกายไหนที่ไม่มีเงินทองพวกอาร์เมเนียล่างนะครับพวกคอบติชเชอร์บ้างแล้วก็จะไปอยู่ข้างล่างอยู่ข้างๆนะครับเราก็จะเห็นความจริงที่ว่าในที่สุดนั้นก็จะมีการแข่งแย่งสถานศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้แต่สิ่งที่สําคัญมากไม่ใช่สถานศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความหมายที่อยู่ที่นี่ต่างหากพระเจ้าของพระเจ้าสอนเราไม่ให้ยึดเกี่ยวกับ ยึดติดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าในคิดศาสนาของเรานั้นไม่มีของศักดิ์สิทธิ์นะครับมีอยู่อย่างเดียวครับที่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ก็คือ holy bible ครับ holy bible มันหมายความว่าเป็นพระคิดสังคภี์นั่นเองพระคิดสังคภี์นั้นเป็นสิ่งเดียวเดียวมีถือว่าเป็นโฮ o ี่ครับเป็นของสูงเป็นผู้ชนะของพระเ จ, จ้า ซึ่งไม่ผิดาพาดเลยเพียงเขาเวล า, เาอ่านทั้งทีในแต่ละคําชื่อแต่ละชื่อนั้นล้วนแต่มีความหมายครับ <c oughs> ผมอยากยกตัวอย่างคนคนหนึ่งครับที่หลายหลาคนอาจจะมองข้ามเขาไปคนคนนี้ชื่อว่าซิโมนชาวไซร์เบียโดโรซาเป็นเส้นทางที่พระเยซูได้เดินผ่านขณะที่ทรงกําลังจะถูกถึงบนแมงกินเพียงครับ แทอลิกมี14สถานีซึ่งนําลึกถึงเหตุการณ์นนต่างๆนะครับตามพระกัมพีบ้างไม่ตามพระกัาพีบ้างครับแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เขาเชื่อกันมาเชื่อตามตำนานหรือถือเท่าต่อกันมาเราพวกว่าคนคนนี้ครับซีโมนชาวไซรีนั้นกํมพีมันทึกว่ามาจากปั้นนอกเขาคงจะมีร่างกายที่ใหญ่เป็นผู้ชายแข็งแรง ทหารก็เลยเกณฑ์ให้เขาแบกกางเขนเพื่อพระเยซูเป็นกางเขนของพระเยซูทางกายภาพนะครับคนคนนี้เป็นคนเดียวที่รั้เกียรติสูงสุดในการแบกกางเขนของพระเยซูปกติแล้วพระเยซูสอนให้เราแบกการเขนของเราแต่ตามพระองค์ไปใช่ไหมครับทําให้ผมนึกถึงเพลงเพลงหนึ่งครับทางแห่งกางเขนเป็นทางเสียสระ เป็นการเป็นทางที่เราจะต้องถวายทุกสิ่งแด่พระเจ้าทุกสิ่งที่เรามีอยู่นั้นต้องถวายพระเจ้าแบบ ก, กันเขนและสิ่งสารพัคตามพระองค์ไปพี่น้องครับขณะที่มาถึงตำบลหนึ่งที่เรียกว่ากระโหลกศีรษะพวกเขาเตร่งโปร่งไว้ที่กางเขนที่นั่นพร้อมกับผู้ร้ายสองคนข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนนึ่น้อครับผมได้พูดไปแล้วนะครับ สถานที่เข้าสันิฐานว่าปิเยชูถูกตุลนะครับก็คือที่หนึ่งเรียกว่าบสถนะครับปัจจุบันเป็นโบดโฮลี่ซิเคิลแต่ที่หนึ่งครับก็เรียกว่าการเดนทุมการเดินทุมนั้นก็คือเป็นสถานที่ที่มีหน้าผาเหมือนกับกระโหลกศีรษะครับดูคล้ายๆกระโหลกศีกรษะนะครับซึ่งเพิ่มนพีบอกว่าเมื่อมาถึงตำบลหนุนที่เรียกว่ากระโหลกศีรษะ เขาจึงตึนตวงไว้ที่กังเขนมองจากข้างล่างนะครับขึ้นไปบนหน้าผาก็เห็นเบ้าตาจมูกครับนะครั บ, นะรบก็คือเป็นสถานที่ที่ทางรีฟอร์มของเรานะครับหรือเรียกว่าโฟโต้เซนต์ของเราเนี่ยนะครับก็บอกว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่พะเอกสุดตุนพี่น้องครับเห็นไหมครับว่าตำนานมีความขัดแย้งกันเรื่องสถานที่แต่เหตุการณ์ที่ไม่เคยขัดแย้งกันก็คือ เปเยซูถูกตรึงจริงเปยซูสิส้นพระชนจ ร, จริงและเปเยซูเป็นขึ้นใหญความตายจริงๆริงในขณะที่เปเยซูกําลังจะสิ้นพระชนนั้นพรองพูดถึงเยรูซาเล็มครับพรงพูดถึงเยรูเซมว่าอย่าร้องไหสง้สงสารเราเลยที่ตายเยรูเซมเออยแต่จงสงสารตนเองและสงสารลูกหลานของตนเถิดเพราะอะไรครับเพราะว่าลูกหลานของเขาจะไม่มีแผ่นดินอยู่ครับ ไม่มีรัฐชาติไม่มีแผ่นดินอยู่เพราะว่าโรมในค้อสอที่เจ็ดสิบนั้นก็ยาตราทับเข้ามาและทําลายพาะวิหารทําลายกรุงเยโรเซนทําให้เี่ยโรเซนนั้นกลายเป็นที่โลบรารคนยิวนั้นตกทุกข์ได้ยากระกรรมตกทุกข์ยากกระทำแสนสาหัสครับเพราะเนื่องจากถูกฆ่าก็กระจายไปต้องโยกย้ายถิ่นฐานกระจายไปทั่วยุโรปกระจายมาที่อินเดียนะครับ กระจายมาทางตะวันออกและกระจายไปทางตะวันตกส่วนใหญ่พวกนี้ก็ไปทาง ต, งตะวันตกครับพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองพระเยซูได้พูดคํากําหนึ่งหลายหลยท่านไม่เข้าใจนะครับในวันนี้ผมจะอธิบายให้พี่น้องได้มีโอกาสเข้าใจนะครับในข้อที่สามสิบเอ็ดพระเยซูแปลว่าเพราะว่าถ้าเขาทำอย่างนี้เมื่อไม้สดอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไม้แห้งแล้วา ยังพระเยซูกําลังเปรียบเทียบตัวพระองค์เองว่าขณะนี้ที่พระเยซูกําลังถูกตึงไม้เกีนี้เป็นไม้สดครับพระเยซูเปรียบเทียบว่าพระองค์เองนั้นเป็นต้นไม้ที่เกิดผลกับต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่อิสราเอลนั้นเมื่อมีพระเจ้าพระเยซูอยู่ด้วยอิสราเอลยังมีชีวิตอยู่ครับแต่ถ้าอิสราเอลนั้นไม่มีพระเจ้าอิสราเอลไม่มีพระเยซูอิสราเอลจะกลายเป็นไม้แห้งครับ ที่น้องครับในบางทีรวมบอกว่าจะถูกจับออกครับนี่คือสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจมากเพราะเหตุที่เขาไม่ได้ต้อนรับเปียชูเปียชูเสร็จมาเลียบ้านเมืองของพระองค์แต่ชาวบ้านชาวเมืองหาได้ต้อนรับพระใหม่แต่ใครก็ตามที่ต้อนรับเปียชูหรือ ไ, ไว้วางใจในพระองค์เป็นสาวกของพระองค์พรงทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า นี่เป็นปฏเรียนที่ยิ่งใหญ่มากในพวกเราที่เป็นคริสเตียนจากเดิมนั้นเราไม่ได้เป็นลูกคนยิวก็ไม่ได้เรียกพระเจ้าว่าเป็นพระบิดาแต่เราครับโดยผ่านทางพระเยซูโดยความเชื่อในพระเยซูเราจึงกลายเป็นลูกของพระเจ้าเราเรียกพระเจ้าได้ว่าอับบาก็คือพระบิดาเรากลายเป็นลูกที่พระเจ้าทรงรั เก่กับนี่เป็นเหตุที่ทำให้คนยิวนั้นเขาได้คิดถึงยิวเสลิงต่อเวลาหลังจากคศออ70ครับมีสถานที่หนึ่งที่เราไปดูก็คือ ร, อ, อริ่งวอลหรือกำแพงร้องไห้นั่นเองวเวลิงวอลนั้นอยู่ถือว่าอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงและใกล้กับพระวิหารมากที่สุดพระวิหารนะครับตั้งอยู่บนยอดเขาโมริยา เป็นสถานที่ที่อับราฮัมนั้นได้ถวายซะแต่เวลาที่พิวิหารนั้นถูกครอบด้วยสุลเลของพวกมุสลิมครับอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวยิวนั้นถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดเอียนหรือเรียกว่าอโบวินเนชั่สิ่งที่น่าเสียดเอียนนั้นได้เข้ามาอยู่ในบริเวณที่เคยเป็นพิวิหารพี่น้องครับวิลเลงวอลนั้นเป็นสถานที่ที่เราได้ถูกเอา ถูกนำเข้าไปชมนะครับเป็นสถานที่ที่พวกยิวนั้นได้เข้ามาแล้วก็มาร้องไห้เป็นหลักฐานกำแพงเมืองเมืองนะครับชิ้นที่สำคัญมากเป็นชิ้นเดียวกับที่หลงเหลืออยู่ที่ใกล้พระวิหารที่สุดชาวยิวเมื่อมาถึงวิลงเงวอลเขาจะร้องไห้คำทวลถึงกรุงเยอรมันที่เรักตามที่พระเยซูได้บอกว่า อย่าร้องไห้สงสารเราเลยแต่ร้องไห้สงสารตนเองแต่สงสารลูกหลานลูกหลานของเขาขณะที่เราอยู่ที่เวริงวอร์นครับสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเราได้เห็นพิธีบาวิชวาบาวิชวานั้นเป็นพิธีที่คนยิวนั้นได้ส่งให้ลูกหลานของเขานั้นกลายเป็นผู้ใหญ่ขณะอายุสิบสองปีเต็มย่างสิบสามนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะทําในวันเกิด ของของเด็กคนนั้นพระเยซูก็ผ่านพิธีบามิสวาครับก็คือการการที่โยเซฟและมารีได้พาพระเยซูเข้าไปในพระวิหารกับตอนที่พระองค์อายุได้สิบสองปีนี่คือเหตุการณ์บามิสวา ข, ของพระเยซูครับเหตุการณ์บามิสวา ข, ของชาวอยู่ในสมัยนี้พวกเขานั้นก็จะพาไปที่ตู้เก็บพระธรรมก็คือตู้เก็บโทราครับเอาโทราออกมา ก่อนที่จะเข้าไปนั้นก็มีการแห่ครับมีการเป่าอ่าเป่าแจ้นะครับมีการร้องเพลงนะครับรื่ น, นเริงการสนทนเด็กชาวฮิวนั้นก็หน้าตาดีครับหน้าตาสดใสยิ้มแย้มแจ่มใสครับเมื่อเขาเอาเชิญพระครัมพีตัวรา้นออกมาวางกลางแจ้งพวกเขาก็ชื่นชมกันให้กําลังใจกันและให้เด็กคนนั้นนะครับที่จะพาและเข้าบาวิชรานั้นจูบที่พระคัมภีร์ แล้วก็อ่านพันธกิต่อหน้าฝูงชนนี่คือสิ่งที่ประกาศตัวครับว่าเขาเป็นลูกของธรรมบัญญัติแล้วเขาเป็นลูกของธรรมบัญญัติแล้วเพียงครับจากพิธีนี้เองทําให้เรารู้ว่ามันเป็นต้นแบบครับของการประกาศตัวพิธีประกาศตัวนะครับชาวยิวนั้นได้รับพิธีชุนัดเข้าสู่พันธสัญญาของพระเจ้าตอนที่เขาเป็นเด็กสําหรับเด็กผู้ชายนะครับ ก็เทียบเท่ากับการที่เด็กๆคริสต์เชนของเรานั้นก็รับบัพติศมาเด็กหรือพิธีถวายบุตรนนัเองตอนโตขึ้นมาครับเขาจะต้องผ่านพิธีประกาศตัวซึ่งเทียบเท่ากับบาวิสวาครับแต่บาวิสวาของยิวนั้นจัดเออกระเริกมากนะครับแต่พิธีประกาศตัวเราก็จัดเออกระเริกเหมือนกันแต่จัดในหัว แต่เราไม่ค่อยเน้นความสําคัญนี้เท่าไหร andom, ่ค <Mach in'> รับและเราไม่ค่อยเน้นเรื่องความที่มีคุณภาพมากเท่ากับพวกเขาเป็นไม่ได้ไหมครับที่พิจารในทุกวันนี้เราจะเน้นและให้ความสําคัญของเด็กเหล่านี้เพื่อที่เขาเติบโตขึ้นเขาจะไม่พลาดจากทางนั้นเป็นไม่ได้ไหมครับที่พิจารของเราจะ ต, ต้องเน้นความสําคัญของเราวีวัฒนศึกษาเด็กเมื่อเราปลูกฝังโระชนะของพระเจ้าเมื่อโตขึ้นเขาจะไม่พลากจากทางนั้น ดังสุภาษิตบทที่ 22.6 ได้บอกกับเราพี่น้องครับเนื่องจากเวลาเป็นจำกัดในวันนี้ในวันพรุ่งนี้ผมขอต่ออีกวันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับยัสวักเยมขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องท่านทุกทา่านอาเมน